กดชีจักหมุนไปข้างหน้า251ภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศตภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนออพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเหลืองเคลื่อนน้ำอสจิสีแดงเคลื่อน น้ำอสิจิสีขาวเคลื่อนน้ำอสิจิสีเหมือนเปลี่ยนเคลื่อนน้ำอสิจิสีเหมือนน้ำท่าเคลื่อนน้ำอสิจิสีเหมือนน้ำมันเคลื่อนน้ำอสิจิสีเหมือนนมสดเคลื่อนน้ำอสิจิสีเหมือนนมส้มเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษกุศิจักจบ